ท, ที่หลวงพ่อแบบมาาเอออะไรนะโอ้ทำไมโยมลืมไปเลยอะ่ะเหมือนกับมีตัวตนขึ้นมาถามใช่ไหมเจ้าค่ะคือวก็ถ้าเห็นเห็นว่าคือเรายังมีการถามอยู่แต่ไม่มีตัวตนมั น, มนจะได้เหรอเจ้าค่ะได้สิคือมันต้องมีพื้นฐานตรงนี้ก่อนพื้นฐานเรื่องขันห้านะสมมติว่าเราเคยเรียน เ, เคยเรียน <ขอ S 1> เคยได้ยินแล้วก็เคยพิจารณาเรื่องตัวเราเนี่ยว่าประกอบด้วย ข, นขนันห้าขันเรายอมปิดไมค์ก่อนกันได้ไหมครับใช่ครับนั้นระหว่าหงหลวงพ่อพูดเนาะคือพวกเราเนี่ยผ่านขั้นตอนการการศึกษาการเรียนเรื่องขันห้ามาแล้วเพราะว่าจริงๆอะ่ะการที่จะพ้นทุกได้คือต้องพ้นจากสังขารใช่ไหมเพราะสังขารเป็นทุกข์ทีนี้พอเราเรียนแล้วรู้จักแล้วว่าทั้งหมดทั้งตัวเลยนี่เนาะเออมันคือขันห้าแต่ถ้าเมื่อใดที่รู้ตัวว่ามันเป็นขันห้าคือรู้ด้วยปัญญานะ มันก็จะไม่มีตัวเราเพราะมันรู้ว่าขันห้าจะพูดก็ดีจะถามก็ดีจะนั่งก็ดีจะโผลเศร้าเสียใจก็ดีจะสุขจะทุกข์ก็ดีคือมันเป็นเป็นสังขารหมดเลยนะทีนี้เมื่อเป็นสังขารแล้วเนี่ยแล้วก็อีกอย่างพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วมีแต่สังขารมีแล้วหมดไปหายไปสังขารเป็นทุกข์แล้วก็ทําทั้งปวงเป็นอนัตตานี่คือแผนที่ที่พระพุทธเจ้าชี้บอกทางทีนี้ถ้าเรามีปัญญาระดับนั้นอยู่แล้วเนี่ยโอเคถือว่าเข้าใจในระดับที่ พอจะรู้จักแล้วว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี้มันไม่ใช่ตัวเรานะแต่ทีนี้มันเหลืออยู่เคำว่ายังไม่ลงแก่ใจเหมือนเหมือนกับว่าโอเคเราได้ยินได้ฟังมาเยอะแล้วแต่มันยังมันยังเป็นตัวเราอยู่ยังรู้สึกเป็นตัวเราอยู่ออย่างเงี้ยเท่ากับว่ายังยังยึดอยู่เพราะมันเป็นยางเหนียวเนาะมันยากที่จะให้คลายออกแต่ทีนี้กรณีที่หลวงพ่อพูดเนี่ยหมายถึงว่าพวกนี้คือมีปัญญามากแล้วคือเข้าใจแล้วแหละ ว, ว่า สังขารเนี่ยเออขันห้าทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นสังขารเนาะแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราทีนี้มันกรณีลืมตัวคือไม่ทันเห็นสังขารแต่สังขารเคลื่อนไปแล้วมีการยกมือมีการถามแต่ตอนนั้นไม่เห็นไงไม่เห็นคือพอไม่เห็นเท่ากับว่าลืมตัวไปพอลืมตัวไปปั๊บมันก็กลับเข้าไปยึดว่าเป็นตัวเป็นตนแต่มันก็ไม่ได้รู้หรอกว่าเป็นตัวเป็นตนแต่ว่าความเป็นจริงอ่ะคือตอนนั้นอ่ะยึดเรียบร้อยแล้วแล้วเลยก็ถามถามด้วยความลืมตัวว่าตัวเนี่ยกําลังถาม คือลืมไปว่าอ๋อไอขันห้าเนี่ยมันกำลังถามอยู่แต่พอหลวงพ่อชี้ปับ๊บบอกอ่าดูใครถามเนี่ยพอพูดแค่นี้ปั๊บปัญญาเกิดเลยเข้าใจอย่างฉับพลันขึ้นมาเลยว่าโอ้ถามนี่มันคือขันห้ามันไม่ใช่เราไอตรงเนี้ยแล้วก็ความเป็นตัวเราก็ดับไปในขณะที่รู้สึกตัวแล้วพอรู้สึกตัว ต, วตรงนี้มันจะวาบเลยความรู้สึกว่าแบบโล่งโปร่งเบาหมดเลยแล้วก็ไม่มีคือไม่ต้องเอาคาตอบแล้วก็ได้เพราะว่า มันหลุดไปแล้วไงความเป็นตัวตนหลุดไปแล้วก็ผู้อยากจะถามก็ดับไปจึงไม่มีไม่ต้องการคําตอบก็ได้เพราะว่าหลวงพ่อชี้จุดแล้วไงว่าไม่ใช่เราถามแล้วเจ้าตัวก็มีปัญญาถึงขั้นที่ว่าเออไม่ใช่เราถามพอรู้ว่าไม่มีตัวเราบั๊บแล้วจะเอาคําตอบไปทําอะไรอีกอะ่ะมันก็จบเลยถ้าหลงอีกเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ยกมือมาถามมาอีกพอถูกชี้อีกอ่าใครถามก็เออลึกออกอีกตัวเราก็ดับอีกตรงเนี้เขาเรียกว่าเป็นการเป็นฉับพลันอะ่ะเขาเรียกว่า จะเรียกว่าบรรลุขนาดจิตหนึ่งกันได้บรรลุบรบรลุฉับขนาดจิตหนึ่งแต่ก็ด้วยความหลงอาจจะมีอีกเพราะว่าประสบการณ์ยังไม่ชํานาญพอเพราะ ง, งั้นต้องอาศัยประสบการณ์อีกยิ่งถามบ่อยบางทีไม่ทันถามหรอกเพราะมันบรรลุแล้วมันรู้แล้วว่าสังขารจะไปถามแล้ ว, ลวรู้ทันพอรู้ทันเสร็จแล้วมันก็ดับตัวกูพอดับตัวกูเสร็จแล้วไปถามอะไรอีกเราเมื่อรู้แล้วว่าตัวกูไม่มีแล้วจะเอาอะไระใช่ไหมเออมันก็นิ่งไปเลยอย่างนี้อันนี้หลวงพ่อก็ขยายแบบนี้ ทีนี้เออโยมก็ถามต่ออีกนะเพราะว่าตรงนี้เป็นการสื่อสารเป็นการคุยกันเพื่อชี้จุดบางจุดที่บางทีเรามองไม่เห็นเอสเซนยมถามต่อนะจ้าค่ะเออโยมอาจจะใช้คําไม่ถูกต้องก็ได้นะเจ้าค่ะได้เอออย่างนั้นเออคือบางครั้งถ้าโยมอย่างสมมุติว่าอย่างเมื่อกี้ที่โยมจะกดยกมือเพื่อถามใช่ไหมเจ้าค่ะโยมก็มีมีตัวตนแหละว่า เราอยากจะถามเพราะคําประโยคเมื่อกี้ทําให้เราสะดุดและติดใจค่ะอืมคราวนี้พอเรากดมาแล้วอะ่ะโยมก็ยังไม่เห็นว่าจะไม่มีตัวตนยังไงนะจ๊ะค่ะคือกดเข้ามาเสร็จปุ๊บโยมรู้สึกว่าเราจะถามอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรจะถามคือมันเหมือนปัญหาแวบไปแป๊บหนึ่งอะค่ะอืมจนโยมจะต้องเพง่อยัคือยังต้องปรุงคําถามขึ้นมาถาม ก็คุณเจ้านะคะอ่าโอเคนะอ่าค่ะทีนี้อโอเคแล<ร>้วพอาสว่าเราท<า>ั้ใจไม่ถามใช่ไหมเจ้าคะอพอเราเมื่อเวลาผ่านไปแล้วก็ติดโอ้วันนั้นทําไมเราไม่ถามก็ยังังมันมันสะดุดใจตรงนี้ที่ทไมเธอไม่ถามประมาณ<อ>นนเจ้าค่ะทำไมเราไม่ถามเห็นตอนนั้นนึกออกไหมตอนนั้นเราเปตัวแล้วชัดเจนแล้วทําไมเราไม่ถามนึกออกไหมตรงนั้นแหละคือเราโอเคไหมเพราะตอนที่บอกว่าเออตอนนั้นทําไมเราไม่ถามเนี่ยตรงเนี้ความเป็นตัวตนชัดเจนเลยเพราะว่ามันออกมาด้วยการพูดเนาะ ว่าทำไมเราไม่ถามเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นตัวเราแล้วล่ะ inee? บางตอนเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นตัวเราเพราะว่ามันมันไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าความเป็นตัวเรามีอยู่เนาะแต่พอพูดปั๊บเนี่ยยตรงเนี้ยมันเป็นตัวเราชัดเจนตรงนี้ยงเข้าใจเนาะพอบอกว่าทำไมเราไม่ถามปั๊บเนี่ยคือตัวเราล่ะนึกออกไหมค่ะอ่าพอรู้จักว่าอ๋อไอตัวเราเนี่ยมันมีพฤติกรรมแบบนี้คือมันแสดงออกทางความคิดหรือแสดงออกทางวาจาก็ได้เพราะในตัวเนี่ยคนอื่นยังรู้เลยว่ายังมีตัวตนยังมีตัวเรา แล้วก็เราก็เข้าใจได้เลยว่าอ๋อนี่ยังมีตัวเรานี่ว่าตัวเราคือเนี่ยลักษณะแบบนี้คือมีตัวตนแล้วก็เราอยากถามแล้วทาไมเราไม่ถามตรงเนี้ยชัดเจนแล้วส้ากล่ว่าเห็นตัวตนนะอ่าโอเคพอยอมรู้จักว่าไอ้ตัวตนเนี่ยคือลักษณะแบบเนี้ต่อไปเนี่ยเนื่องจากว่าเราเรียนเรื่องขันห้ามาแล้วเนี่ยว่าจริงๆอ่ะตัวตนไม่มีมีแต่ขันห้าเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่ามีตัวตนปั๊บมันจะพลิกเลยว่าเอาเมื่อกี้หลงไปหลงไปยึดว่าเป็นเราไอ้แค่รู้ว่าหลงแค่นี้มันจะเป็นการพลิกเปลี่ยนไปเป็น จากความเข้าใจผิดเนี่ยเป็นความเข้าใจถูกได้ทันทีเลยแต่ตรงนี้ต้องเป็นประสบการณ์ก่อนครั้งแรกเนี่ยยังยังไม่ชัดเจนแต่ครั้งต่อไปเนี่ยมันจะชํานาญมากขึ้นว่าเวลาหลงว่ามีตัวตนเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเวลารู้ว่าหลงมันก็จะเป็นยังไงมันจะแจ้งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวก น, นี้มันจะพิ ก, กับหมดเลยพิ ก, กับโดยการอาศัยการยนานมิตรเบื้องต้นเนี่ยอาจจะอาศัยการยาณมิตรบอกก่อนแต่ตอนหลังเนี่ยมันจําสภาวะพวกนี้ได้ว่าอ่าตัวตนเกิดอีกแล้ว พ <agreements. S 2> อมันรู้ว่าอา่ะตัวตนเกิดอีกแล้วแค่เนี้ยมันก็จะพลิกกลับมาเป็นว่าเป็นสังขารเนี่ยมันเป็นปัญญาที่แบบพลิกกลับพลิกกลับอจากเข้าใจผิดเป็นเข้าใจถูกเลยอะมันจะพลิกเร็วมากอย่างของยอมเนี่ยที่ขึ้นมาคุยวันเนี้ยเนี่ยอย่างน้อยได้ประสบการณ์แล้วอย่างน้อยก็ได้รู้จักคําว่าตัวตนแล้วเพราะตอนแรกตอนยกมือโอเคมันไม่ได้รู้สึกว่ามีตัวตนหรอกแต่จากคําพูดเนี่ยเห็นไหมพูดเองว่าทําไมเราไม่ถามอ่าเป็นเราขึ้นมาทันทีโอเคไหมตรงนี้ แต่โยมมีความรู้สึกว่าตอนที่เรามีตัวตนนะคะมันเหมือนมีมีตัวที่จะไปทำอะค่ะใชอนน่อันนั้นอันนั้นโยมเข้าใจถูกต้องไหมจ๊ะค่ะถูกถูกคือการกระทำใดๆก็แล้วแต่ถ้าไม่รู้เนี่ยจริงๆมันเป็นตัวตนไปหมดแต่ยังไม่รู้ว่ามันเป็นตัวตนแต่พอถึงจุดหนึ่งอ่ะมันก็จะแสดงออกถึงความเป็นตัวตนขึ้นมาเหมือนเมื่อกี้ตอนบอกว่าโยมโยกมือโยมไม่ได้รู้สึกว่าเป็นตัวตนอะไรแต่ พอตอนหลังมันนึกตอนหลังไงว่าเออทาไมเราไม่ถามไอ้ตรงที่ว่าทําไมเราไม่ถามนั่นแหละตรงเนี้ชัดมากเลยเป็นตัวตนชัดๆเลยเป็นตัวเราขึ้นมาแต่ทีนี้ถ้าเรามีพื้นฐานเรื่องความรู้เรื่องขะนะันหน้าเนาะโยมก็ปฏิบัติเข้าใจอยู่แล้วหละเรื่องขันหน้าคือทุกอย่างมันเป็นออมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณประกอบกันเขาเรียกว่าเป็นคนเป็นสัตว์ขึ้นมาเป็นตัวตนแต่ทีนี้ความเข้าใจผิดไงนึกว่าจริงๆเป็นเป็นตัวตนแต่พอพระพุทธเจ้าแยกขันออกมา ว่าเออแต่ละขันมันก็ไม่เที่ยงใช่ไหยแล้วเป็นอนัตตาหมดก็จะได้เข้าใจจากการยินจากการได้ยินได้ฟังมาทีนี้พอเจอของจริงปั๊บมันก็เห็นการเป็นตัวตนปั๊บโอ้นี่มันเข้าใจผิดว่าเป็นตัวตนที่แท้มันคือขันห้าที่มันทำงานร่วมกันอยู่เนี่ยมาถามเนี่ยแค่นี้มันก็พลิกจากความเป็นตัวตนก็เป็นความไม่มีตัวตนแต่ยังมีขันห้าเหมือนเดิมคือยังถามได้ยังคุยกันได้เหมือนเดิม แต่ก็รู้จักแล้วว่าไอ้ที่คุยที่ถามเนี่ยโตสังขารทั้งนั้นแหละคือขนาน้ามันร่วมกันทํางานแต่เราจริงๆไม่มีตรงเนี้แล้วยมจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเลยว่าพอเข้าใจว่าตัวเราไม่มีนะแต่ขนาน้ามันยังมีไงมันยังไม่แตกสลายเนาะเพราะฉะนั้นยังเดินยังนั่งยังนอนยังยังอะไรเหมือนเดิมแต่ความเข้าใจใหม่มันไม่เหมือนเดิมแล้วแต่มันต้องรู้ตัวนะถ้ารู้ตัวเนี่ยเป็นความแล้วก็บวกกับความเข้าใจใหม่ เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ตัวปับ๊บมันก็ก็รู้เลยว่าไอตัวที่ถูกรู้นะโอ้มันก็คือสังขารทุกครั้งที่รู้ตัวมันก็จะบอกว่าเป็นสังขารเพราะฉะนั้นสังขารเนี่ยมันก็ยังมีอาการตามเหตุตามปัจจัยเนาะยังหิวยังร้อนยังอะไรเหมือนเดิมแต่ปัญญามันรู้ใหม่ว่าไอเ น, นี้ยก็คือสังขารนั่นเองไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงอยังมีสงสัยอะไรอีกไหมเออโยมจะสรุปแบบนี้ได้ไหมเจ้าคะ ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกินก็คือสังขารทั้งหมดแต่ที่เราหิวที่เราร้อนที่เราอะไรพวกนี้ก็คือเป็นตัวที่เป็นร่างกายเป็นเป็นธาตุที่มันที่เขาทํางานตามปกติแต่ก็โยมยังติดใจอยู่ตรงที่ว่าตัวตนมันหายไปไหนนะเจ้าค่ะแต่โยมพอเข้าใจว่าแบบคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสังขารความคิดก็สังขารตัวตนมันหายไปตอนนี้โยมคือ คือโอเคอยนทุกอย่างมันเป็นสังขารหมดนะตัวอย่างนะแต่ทีนี้ต้องจักว่าอาจจะเข้าใจผิดมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วแหละมันมายึดถือเป็นตัวเป็นตนแต่พอเรามาเกิดมาในยุคที่มีพระพุทธมีพระพุทธเจ้ามีคำสอนนะนะและมีผู้สอนได้ยินได้ฟังมาซึ่งทุกคนก็ถ้าสอนในขั้นหลุดท้นเนี่ยพูดท เหมือนกันหมดเลยว่ามีแต่สังขารเท่านั้นนะตัวตนไม่มีทีนี้พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าปัญญาของเราเนี่ยมันเหมือนกับมันยังขัดขัดใจอยู่อ่าไม่มีตัวตนได้ไงก็มันมีมีอยู่แต่ถ้ามาอบรมปัญญามากๆมันก็ลงแก่ใจแล้วว่าเออพิสูจนแล้วมันเป็นตัวตนไม่ได้พอเป็นตัวตนไม่ได้เสร็จแล้วความเข้าใจผิดที่เคยว่าเป็นตัวตนเนี่ยมันถูกดับลงใช่ไหมมันดับไปก็เป็นความเข้าใจถูกขึ้นมาแทนเพราะฉะนั้นที่โยมถามบอกว่าแล้ว จัดจัดดับเมื่อกี้อาจจะใช้คำว่าอะไรนะจะจะคือตัวตนมันหายไปเออตัวตนมันหายตัวตนมันหายแค่พลิกลกนิดเดียวคือจากเข้าใจผิดเป็นเข้าใจถูกแค่นี้เองมันไม่ได้มีมากกว่านี้เราเขาเรียกว่าปัญญาหรือจะเรียกว่าวิชาก็ได้เมื่อก่อนมันเป็นอวิชานะคือความไม่รู้ไม่รู้ความจริงแต่ตอนเนี้ยเมื่อรู้ความจริงรู้ถูกต้องปั๊บอวิชานั้นก็ดับไปก็คือความเห็นผิดดับไป หรือจะเรียกว่าความโง่หายไปก็ได้แล้วปัญญาขึ้นมาแทนมันจะหายไปดับไปโดยวิธีนี้วิธีเดียวเท่านั้นจะใช้กำลังไปจัดการไม่ได้เลยต้องใช้ปัญญาอย่างเดียวปัญญาที่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วแล้วก็มันจะพลิกกลับพอปัญญาเกิดก็ความโง่ก็หายไปแค่นั้นละหรือว่ า, าวิชาพอปัญญ า, าวิชามาอาวิชาก็ดับมันจะสลับขั้วแค่นี้เอง เนี่ยระหว่างระหว่างคุยนะถ้าสมมติว่าพอคุยปั๊บมันเจื้อนนะมันถึงใจปั๊บเนี่ยไอความเข้าใจผิดดับหมดเลยแล้วก็เป็นความเข้าใจถูกพอเข้าใจถูกปั๊บเ อ, อ้าตัวเราก็หายไปความหลงผิดก็หายไปแค่นี้เองโยมถามต่อเนี่ยดีมากนะประโยชน์พวกเนี่ยมันก็ประโยชน์เราคนอื่นด้วยไงเอาสงสัยก็ถามมาแต่โยมก็ยังมีตัวอยู่ดีเจ้าค่ะเออมันเหมือนยึดแต่เจ้าค<ง>่ะ<ง> ทีนี้หลวงพ่อจะถามนะทําไมถึงบอกว่ามีตัวตรงนี้เออโยมลองอธิบายเหตุผลของโยมดีว่าทําไมมันถึงบอกว่ามันยังมีตัวอยู่เออลองพูดที่ว่ามันเป็นยังไงมันเหมือนมีอีกคนมันเหมือนโยมรู้สึกว่าเหมือนมีอีกคนหนึ่งที่มันมันทำต้องมันทํานี่ทำนัานแบบเนี้ยค่ะอแต่เห็นเห็นคือสังขารอื่นๆเกิดก็เห็นนะคะออืแต่ก็ยังมีตัวหนึ่งที่แบบ เห <mm> มือนไม่รู้ไม่รู้เหมือนเขาจะยึดอะไรโยมก็ไม่แน่ก็อบ อ, อ, อ, อธิบายไม่ถูกอะค่ะแต่รู้สึกว่ามันมีตัวตน ส, สมมติจะยกตัวอย่างสักเรื่องนึงนะสมมติว่าตัวอย่างเรื่องความความความความเสียใจก็ได้มึงเอาลองยกตัวอย่างทีว่าแล้วมันเป็นตัวตนตรงไหนอ่สมมติว่าอะไรก็ได้ที่ที่โยมอยากจะพูดสักเรื่องหนึง่งเออแล้วก็ทําเออแล้วก็อธิบายว่าอยาอย่างาส่วนเรื่องเรื่องโกรธใช่ไหมเจ้าค่ะอย่างนี้ได้ไหมเจ้าค่ะได้ได้พอสมว่าเรา เราเห็นเห็นว่าเออเนี่ยเราไม่พอใจมันกรุนแล้วมันโกรธแล้วอืเราก็เห็นว่าโกรธแล้วก็รู้สึกด้วยว่าเราโกรธอืรู้สึกพอเวลาโกรธจะมีอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมเจ้าค่ะ <Geral t> เราก็จะเห็นว่าเนี่ยเราโกรธแหละโกรธแหละแล้วก็เห็นว่ามันโกรธก็คือเห็นว่ามันโกรธแป๊บหนึ่งเห็นว่ามันโกรธใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ค่ะมันโกรธหรือเราโกรธเดี๋ยวมันโกรธเราโกรธคือแรกแ่กเห็นความรู้สึก เขาอาจจะต้องมีอาการทางกายด้วยใช่ไหมคะัแต่ละมาแล้วอาการเดิมอแล้วก็ร้อนเนี่ยคือโกรธแล้วมันก็โกรธเออมันมันนะเออมันมเออมันใช่เจ้าค่ะคือถ้ามันกับเรามันเหมือนกันไหมเอามันกับเราเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนกันเจ้าค่ะเออไม่เหมือนกันแต่อ่ามันเป็เราที่เห็นมันโกรธไงเจ้าค่ะอ๋อหมายถึงว่าความโกรธพอเข้าใจแล้วแหละว่าความโกรธเป็นมันเนาะ โอเคนะได้ไหมความโกรธเป็นมันใช่ค่ะอราเข้าใจว่าอันเนี้ยเดี๋ยวมันก็หมดไปไม่ทาบค่ะโอเคแต่ก็จะมีอีกเนี่ยตัวที่มันเห็นนี่แหละว่าเออเนี่ยโกรธแล้วมันโกรธแล้วเดี๋ยวมันก็จะหมดไปอะไรเงี้ยค่ะอตัวเนี้ยมันจะอยู่ตลอดแล้วจะแสดงว่าตัวเห็นเป็นเราใช่ไหมถ้าพุทธอ่านะโอเคหลวงพ่อจะจะชี้เพื่อให้คนอื่นได้เข้าใจด้วยอย่างที่โยมเล่าเนี่ยกรณียกประเด็นความโกรธตอนแรกเนี่ยโยมก็จะพูดว่าเราโกรธเราโกรธใช่ไหม แล้วเราก็รู้ว่ามันโกรธเนี่ยคือเราเนี่ยมันมีทั้งเป็นค่ะเรียกว่าเป็นทั้งผู้โกรธเป็นทั้งผู้รู้ความโกรธคือมีเราสองคนแต่พอพูดไปพูดมาโยงก็บอกว่าเห็นมันโกรธน่าแสดงว่าไอ้ความโกรธเนี่ยเริ่มเป็นมันแล้วไม่ใช่เป็นเรานะแล้วก็ดังเนี้ยถ้ากับว่าเห็นถูกนะถ้าเห็นเป็นมันเนี่ยนะแล้วก็เห็นถึงความเกิดความดับด้วยเพราะว่าแต่แต่เดิมมันไม่มีความโกรธแล้วต่อมามันโกรธแล้วก็มันหายไปเท่ากับว่ามันหายไปเห็นไหมตรงนี้ยเท่ากับว่าเริ่มแยกออกมาแล้วว่ามมันไ่่ใชเรา เพราะมันเป็นมันทีนี้ที่เหลืออยู่ตัวหนึ่งก็คือว่าเราว่าเป็นคนรู้ถูกไหม <c oughs> เราเป็นคนรู้ว่ามันโกรธค่ อ, อาตรงนี้แหละไอ้ตรงเราเนี่ยตรงนี้แหละที่มันติดกันทุกคนเนี่ยที่ว่าติดเป็นผู้รู้เนี่ยนะไม่ว่าไม่ใช่โยมหรอกทุกคนแหละติดกันหมดเลยติดเป็นผู้รู้ผู้รู้ทุกเรื่องเลยเช่นเวลาโกรธก็เรารู้ใช่ไหม <c oughs> เวลาไม่โกรธเราก็รู้ว่าไม่โกรธหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรารู้ทีนี้ จะจัดการไอ้เรารู้ได้ยังไงนี่ตรงนี้เอาอย่างนี้เมื่อกี้ตรงนี้โยมต้องฟังดีๆน ะ, ะสมมติว่าหลวงพ่อถามใหม่ว่าเวลามันโกรธใครรู้นะโยมตอบตามที่โยมเข้าใจนั่นแหละใครรู้ล่ะ ว, ว่าโกรธเรารู้ค่ะเรานะแล้วโยมลองมองที่ว่าคาว่าเราเนี่ยความหมายของโยมคืออะไรทั้งตัวใช่ไห ม, ไมคาว่าเรามันเป็นมันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอคะค่ะ เอาเอาที่โยอมเข้าใจนะเวลาเราใช้สรรพนามคําว่าเรานะมันหมายถึงอะไรตามที่โยอมเข้าใจหรือว่าเวลาเราคุยกับเพื่อนเช่นบอกว่าวันนี้เราไปตลาดเราใช้คําว่าเราใช่ไหมคําว่าเราเนี่ยแปลว่าไม่ใช่คนอื่นถูกไหมใช่ค่ะอ่าถ้าเทียบกันนะคนอื่นคือไม่ใช่เราคนอื่นไม่ใช่เราเราคือใครเราก็คือคนคนนี้ถูกไหมอ่าค่ะอ่าแล้วก็ความหมายของโยมเนี่ยหมายถึงเราเนี่ยคือทั้งตัวใช่ไหม เพราะว่าคนอื่นคือทั้งตัวใช่ไหมเวลาเราเห็นคนอื่นเนี่ยเรารู้ว่าไอ้คนอื่นคือไม่ใช่เราแต่เรามองเป็นภาพทั้งตัวใช่ปะล่ะใช่ค่ะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าคำว่าเราเนี่ยมันเป็นทั้งตัวไหมถ้าเราโกรธจะทั้งตัวค่ะอันนี้พูดถึงความหมายคำว่าเราโดยโดยทั่วไปทั้งตัวใช่ไหมใช่ตัวค่ะอ่าโอเคตรงนี้เอาให้ชัดเมื่อกี้บอกว่าเราเป็นคนรู้ว่าโกรธถูกไหม เราเนี่ยเป็นคนรู้ว่าโกรธคนอื่นเขารู้ไม่ได้เลยนะมีตัวเราคนเดียวที่รู้ว่าโกรธนะที่หลวงพ่อบอกว่าให้รู้เราแปลว่าอะไรก็คือให้เห็นว่าไอตัวเราทั้งตัวเนี่ยคือขันห้าเพราะว่าเราเรียนขันห้ามาแล้วนี่ว่าเราทั้งตัวนี้คือขันห้าเพราะฉะนั้นเมื่อรู้เราปั๊บมันจะรู้เลยว่าเอ้าเราก็เป็นขันห้านี่หว่าแค่นี้ยมันจะพลิกกลับเลยว่าไอตัวเราที่เป็นผู้รู้ว่าโกรธเนี่ยตอนนี้มันเปลี่ยนมาเป็นผู้มันเป็นสังขารเสียแล้ว มันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงแต่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นสังขารคือเป็นขันห้าแล้วถูกถูกรู้ถูกเห็นรตรงเนี้ยพอโยมจับได้ตรงนี้ปั๊บถ้ารู้เราเมื่อไหร่นะมันความรู้สึกว่าเอ้าเราก็เป็นสิ่งถูกรู้ไปแล้วนี่ไม่ใช่เป็นผู้รู้แล้วอเดี๋ยวตรงนี้ช้าช้านะตอนแรกยมบอกว่ายมเป็นคนรู้ว่ากโกรธหลวงพ่อก็อธิบายขึ้นมาว่าถ้ารู้เราเมื่อไหร่ตัวเราก็จะเป็นสิ่งถูกรู้ ไม่ใช่เป็นผู้รู้แล้วแหละอ่าแล้วสิ่งถูกรู้นี่คืออะไรก็คือขันห้าทั้งก้อนเลยทั้งพวงเลยอ่าแล้วก็กลายเป็นว่าตัวเราก็หายไปหายไปเพราะอะไรเพราะรู้ตัวอืมพอพอพอ ม, มีลังๆไม่หรอมีแล้วเจ้าค่ะมันเหมือนกับแต่ข อ, ขออนุญาตนะครัะมันเหมือนกับอย่างนี้ทำไมเรารู้จักเคอว่าคนอื่นเนี่ยเพื่อนเรานะสมมติเพื่อนเราเนี่ยทำไมเรารู้ด้วยความแจ่มแจ้งว่าคนนั้นไม่ใช่เรา ก็เพราะเราเห็นเขาอะใช่ไหมพอเห็นเขาปั๊บเขาเนี่ยเป็นสิ่งถูกเห็นแต่เราเป็นผู้เห็นเขาอันนี้ยังมีเราแต่ถ้ามารู้เราหรือว่ามาเห็นเราปั๊บตัวเราก็จะเป็นสิ่งถูกถูกเห็นเหมือนกันพอตัวเราเป็นสิ่งถูกเห็นก็เหมือนกับว่าเพื่อนเราก็เป็นสิ่งถูกเห็นตัวเราก็เป็นสิ่งถูกเห็นตอนนี้แหละมันจะรู้จักไอตัวเห็นขึ้นมาว่าไอตัวเห็นเนี่ยไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่มันเห็นเราได้อ่ะเจ้าค่ะ อ่าพอตัวรู้เห็นเราปั๊บเราจะรู้เลยว่าเอ๋อไอตัวรู้มันมีอยู่นี่แต่ตัวรู้มันไม่ใช่เราเพราะมันเห็นเราแล้วตรงเนี้ยเราจะเข้าใจเลยว่าไอตัวรู้นี่แหละคือตัวไม่ทุกตัวพ้นทุกแต่ตัวเราเนี่ยเป็นตัวแก่ตัวเจ็บตัวตายคือตัวทุกขอ่าเพราะฉะนั้นพอรู้จักอย่างนี้เสร็จแล้วโอ้รู้จักแล้วทุกขกับไม่ทุกขตัวเราทั้งตัวคือตัวทุกตัวเราทั้งตัวคือตัวไหนตัวที่รู้มันโกรธนั่นแหละเออเนี่ยคือตัวทุกขแล้วสุดท้ายไอตัวนี้ก็ เกิดแก่เจ็บตายมันก็คือสังขัญขันห้านั่นเองแต่ตัวที่รู้เราเนี่ยมันไม่ใช่ขันห้ามันเป็นความพ้นตายก็เลยรู้จักทุกข์กับความพ้นทุกข์แต่ของโยมตอนเนี้มันเหลืออยู่ตัวเดียวคือทํำยังไงให้เห็นตัวเราถ้ายังเห็นตัวเราไม่ได้มันก็เป็นตัวทุกข์เสเองใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าเห็นตัวเรามันก็พ้นทุกข์ทีนี้เดี๋ยวหลวงพ่อจะยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นตัวเรานะเดี๋ยวโยมทําอย่างนี้คโยมตอนนี้โยมอยู่บ้านใช่ไหมอยู่กับใคร อนนี้อยู่กับนีโยมอยู่ในห้องคนเดียวเจ้าค่ะอ่าโยมดูนะโยมพูดเองนะว่าอยู่ในห้องคนเดียวโยมลองดูนะว่าถ้ากรณีไม่รู้ตัวเนี่ยตอนที่ไม่ถูกถามนี่นะไม่รู้ตัวนะว่าอยู่คนเดียวเพราะตอนนั้นยังไม่มีตัวรู้ยังไม่มีความรู้ก็เลยไม่เห็นตัวเองว่าตัวเองอยู่ในห้องแต่พอหลวงพ่อถามปับ๊บอยู่ที่ไหนอยู่กับใครโยมก็พูดขึ้นมาว่าอยู่ในห้อง แล้วก็รู้ด้วยนะว่าอยู่คนเดียวสแสดงว่าตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้ใช่ไหมเจ้ค่ะอ่าแล้วตรงเนี้ยหลวงพ่อก็จะบอกว่ามันมีธรรมชาติอยู่อันหนึ่งที่รู้เรารู้เรายังไงรู้ว่าเราอยู่ในห้องรู้เราว่าเราอยู่คนเดียวเ็นไหมพอคิดออกไหมอ่าพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยตรงนี้มันก็ทำให้เข้าใจเลยว่าอ๋อตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้ ใช่ไหมตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้ไปแล้วไงเพราะว่าถูกรู้โดยอะไรโดยโดยธรรมชาติอันหนึ่งที่มันรู้เราว่าเราเนี่ยอยู่คนเดียวอ่าทีนี้ถ้าโยมรู้จักว่าไอสิ่งถ้าตัวเราถ้ารู้เราปั๊บเนี่ยมันจะมีสองสิ่งคือเราเป็นสิ่งถูกรู้แต่รู้เนี่ยมันไม่ใช่เราแล้วไม่รู้มันอยู่ไหนแต่มันรู้เราได้เนี่ยโยมลงเดินออกจากห้องดูทีมันรู้เราเลยนะรู้ว่าเราออกจากห้องแล้วแล้วโยมกลับเข้ามาใหม่เอ้ามันก็รู้เราอีกว่าเราเข้ามาแล้ว ต่อไปเนี่ยมันจะมีความชํานาญเราจะนั่งเราจะเดินมันเห็นเราเลยพอเราเดินเนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นของจริงก็ได้ลองเดินดูดิเ อ, อ, อ้มันก็รู้นะว่าเราเดินแล้วพอลองนั่งดูเอะมันก็รู้นะว่าเรานั่งเออเราคลานดูดิเอยมันก็รู้ว่าเราคลานเรานอนดูดิมันก็รู้ว่าเราคลานนี่นี่ยคือเรื่องของการรู้ตัวเจ้าค่ะยงเจ็ดขึ้นไหมจากการคุยกันวันนี้เจ้าค่ะนี่เห็นไหมแต่แต่ตัวนี้เราต้องทิ้งไหมเจ้าค่ะ ทั alloy, ้งหมดมันไม่เป็นเราตัวไหนก็ไม่เป็นเราตัวเราก็เป็นขันห้าไม่เป็นเราไอ้ตัวเห็นเราเนี่ยเพิ่งมารู้จักวันเนี้ยมันก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วมันก็ไม่ใช่เราแต่ว่ามันเห็นเราเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีเราเลยทั้งหมดทั้งสิ้นไอ้ตัวเราที่ถูกรู้ก็ไม่ใช่เราไอ้ตัวเห็นเราก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นความเป็นเราไม่มีมีแต่สองตัวนั่นแหละที่มันรู้กันเองคือตัวรู้กับตัวสิ่งถูกรู้แต่ไอ้ไอ้ตัวรู้มันไม่มีตัวเนาะแต่สิ่งถูกรู้คือเป็นตัวแก่ตัวเจ็บตัวตายแต่ตัวที่รู้เราาา่่่่่่ะมมมมันไไไแกเเจ็บตยพรวา มันมีแค่ความรู้แต่ตัวตนมันไม่มีไม่ต้องตายแต่ตัวที่ตายคือตัวเราต่างหากที่ตายนี่เขาเรียกว่าพ้นทุกข์แค่มีแค่ผู้ผู้ที่มารู้ตัวเราก็คือมันก็ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยให้เข้าใจเรื่องพวกเนี้แล้วมันก็เข้าใจเรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์ได้เพราะตัวเราคือขันห้าใช่ไหมคือตัวทุกข์แล้วก็แก่เจ็บตายไปก็เข้าใจได้อยู่แล้ว แต่ตัวสี่เห็นเราเนี่ยมันไม่มีตัวมันไม่ปรากฏตัวมันมีแต่ความรู้เฉยๆซึ่งมันอยู่ในความว่างนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ปรากฏอะเออมันมันไม่ใช่อากาศนะที่รู้เราคือมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นนไม่ปรากฏตัวนะเออพอไม่ปรากฏตัวมันก็ไม่ปรากฏการเกิดใช่ไหมเมื่อไม่ปรากฏกาเกิดมันก็ไม่ปรากฏการตายไม่ปรากฏการดับมันก็จึงเป็นธาตุรู้เป็นธาตุรู้ตามธรรมชาติที่มีอยู่ซึ่งไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่อาจถูกทําลายได้อันเนี้เป็นความรู้ที่บริสุทธ์ เรียกอีกทิ้งก็ได้เรียกว่าพุท ธ, ธก็ได้พุทธะเนี่ยที่เราเรียกว่าพระพุท ธ, ธเจ้าเนี่ยผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยจริงๆนี่แหละองค์จริงคือองค์ที่รู้ทุกอย่างแต่จับต้องไม่ได้มองไม่เห็นนี่คือองค์จริงองค์จริงเนี่ยมีอยู่แล้วในในทุกคนผู้คนเนี่ยองค์จริงเนี่ยมีแต่ทีนี้พระพุทธเจ้าไปพบอันนี้ขึ้นมาก็เลยเรียกเรียกชื่อตัวเองเป็นพุทธะเป็นอะไรก็ว่าไปอะนะ เนี่ยตรงนี้ก็หลวงพ่อก็พานําไปเพื่อให้รู้จักสิ่งที่มันพ้นทุกสิ่งที่ไม่ทุกสิ่งนั้นเนี่ยบางทีเขาบัญญัติทรัพย์ขึ้นมาว่าเรียกว่าพุทธพุทธพุทธผู้รู้พู้ตื่นทีนี้เดี๋ยวหลวงพ่อจะให้โยมชัดยิ่งกว่านี้นะให้โยมลงมองอย่างนี้เพื่อให้ชัดขึ้นเนี่ยตอนนี้โยมมีอะไรที่ติดอยู่ที่ผนังบ้างเช่นกรอบรูปหรืออะไรนี่ไหมเป็นห้องอะไม่มีอะไรบ้างมีแต่ผ้าม่านนะเจ้าค่ะ พม่านใช่ไหม เ, <อ>เป็นออเป็นเอเอมีไหมกรอบรูปถ่ายหรือนาฬิกาแขวนมีอะไรบ้างไหมมีอะไรที่ติดผนงังมั้ะมีรูปถ่ายอยู่อันหนึงค่ะเออเอโยมดูตรงนั้นนะโยมใช้ตา ม, มองเลยมองไปที่รูปถ่ายเนาะใช่ค่ะโยมเพ่งก็ได้โยมจ้องแต่รูปถ่ายพอจ้องนะจ้องอย่างนี้แหละจ้องแบบสบายเหมือนกับว่าเราเราดูแบบสบายแต่ก็เหมือนกับว่าให้เห็นรูปถ่ายอย่างเดียวพอแล้วยมใหญ่เห็นตัวเองนะ อย่าอย่าให้เห็นตัวเองที่เป็นคนยืนดูรูปถ่ายนะให้โยมเห็นแต่รูปพอเนอะาะโยมทําดูที่ทําได้ไหมเพราะว่าตอนเนี้ยความจริงเนี่ยตัวโยมเนี่ยยืนอยู่อ่ายืนดูเขาเรียกว่าตัวโยมเน่ะ ย, ยืนดูอยู่เนาะออแล้วก็โยมก็มองไปที่รูปถ่ายหลวงพ่อก็บอกว่าให้โยมเนี่ยมองแค่รูปถ่ายบอย่างเดียวพอไม่ต้องรู้ตัวเองไม่ต้องรู้ตัวเองนะอ อ, อะทีนี้โยมทําไปนะค่ะโยมอย่ารู้ตัวเองนะว่าตัวเองเป็นคนดูนะห้ามหนดขาดเลยนะ อย่ารู้นะเอาทีนี้หลวงพ่อจะถามตรงพ่อท่านถามบอกว่าอย่ารู้โยมก็รู้ตลอดเออนี่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารู้ตัวเองชัดเลยทีเนี้ยโยมจะรู้จักเลยว่าคำว่ารู้ตัวเองคือรู้แบบนี้นะโยมแล้วโ ย, ยมลองสังเกตนะว่าคือแต่เดิมเนี่ยโยมเป็นคนดูดูรูปถ่ายถูกไหมแต่พอยมเพ่งปับ๊บหลวงพ่อบอกว่าห้ามรู้ตัวเอง แต่พอยิ่งหลวงพ่อยิ่งห้ามมันดันมารู้ว่าตัวเองอ่ะคือยืนดูรูปถ่ายใช่ป่ะอ่ากลายเป็นว่าตัวเองเนี่ยตอนแรกเป็นผู้ดูแต่พอรู้ตัวเองปั๊บตัวเองเป็นสิ่งถูกถูกดูป่ะถูกดูโดยตัวรู้อ่ะตัวรู้ที่มันไม่มีตัวเข้าใจไหมตรงนี้เข้าใจค่ะเออนี่ปัญญามากไอ้ตัวเนี่ยแล้วแล้วตัวเนี่ยค่ะมันก็ลุงลังแล้วเจ้าค่ะจะทำตัวในลุงลังตัวที่ ตัวรู้เนี่ยแหละค่ะลุงรังยังไงเอขยายความตัวรู้หมายถึงว่าตัวที่รู้เราใช่ไหมใช่ค่ะลุงรางยังไงเออขยายความที่มันลุงรังยังไงโดยว่ามันเที่ยวไปรู้มันยุ่งอะเจ้าค่ะมเดี๋ยวใครใครไปเที่ยวรู้ใครไปเที่ยวรู้หรือมันรู้เรามันรู้เองมันรู้เองอ่ะเจ้าค่ะเออมันเป็นเราไหมเป็นเออเมื่อกี้ตอนตอนที่มันรู้เราอ่ะเป็นเราไหมหลายตัวเนี่ย เพราะไอเราเนี่ยคือคนที่ยืนมองรูปใช่ไหมตัวเราเนี่ยค่ะค่ะแต่หลวงพ่อบอกว่าอย่าอย่ารู้ตัวนะอย่ารู้ตัวเองนะแล้วขนาดหลวงพ่อกําชับนะแต่มันรู้ตัวเองตัวรู้ตัวเราได้เนาะเจ้าค่ะเออไอตัวรู้นะั้นตกลงมันเป็นเราไหมโยมเคยรู้จักมาก่อนไหมไอตัวรู้เนี้ยก็ไม่รู้่ะเออแล้วมันเป็นเราได้ไหมล่ะเพราะโยมเพิ่งรู้จักอะ มันก็ไม่เป็นเราอะค่ะเออแล้วใครยุ่งอะทีเนี้ยเมื่อไม่เมื่อมันไม่เป็นเรามันได้แต่รู้แล้วใครไปยุ่งใครบอกเมื่อกี้บอกว่ามันยุ่งตายเลยอาอแล้วใครยุ่งอะเรามันยุ่งเออมันยังไงเราไปยุ่งมันเออเรามันไม่ยุ่งเรามันได้แต่รู้เราแต่เราไปยุ่งมันใช่ไหมเมื่อกี้พูดว่ามันยุ่งตายเลยนี่แสดงว่าเราเป็นคนพูดว่ายุ่งตายแต่มันพูดไหมมันไม่มันเออมันพูดไหมมันมันมันโต้กับเราไหม โยมไม่แน่ใจอ๋อคงมีแต่เราไปโต้กับเขาแล้เออนี่ไงมีแต่เราโต้พูดพูดคนเดียวแต่มันนะมันมันรู้เราได้ไหมเวลาเวลาเวลาเราพูดมันก็รู้ว่าเราพูดเออ <laughs> เห็นไหมแล้วมันพูดได้ไหมตกลงมันพูดไม่ได้แต่มันรู้ด้วยค่ะถูกต้องสาธุโยม <laughs> แล้วูอ่ะทีนี้หลวงพ่อจะเทียบนะไอไอตัวที่เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยตัวไหน ระหว่างไอ้ตัวรู้เรากับตัวเราตัวรู้ตัวเราเจ้าค่ะเออตัวเราเกิดมาแล้วต้องแก่นีป่วยอย่างเนี้ยเนาะเจ็บตายแล้วตัวมันป่วยได้ไหมมันคงไม่ป่วยมั้งคระเพราะมันรู้อย่างเดียวเจ้าค่ะสาธุอืมแล้วมันมันมันแก่ได้ไหมมันก็ไม่แก่เจ้าค่ะอ่าแล้วมันเจ็บได้ไหมแค่รู้เจ้าค่ะเออมันเจ็บได้ไหมมันก็มันก็แค่รู้อะเจ้าค่ะเออแล้วมันตายได้ไหมมันมีตัวจะตายไหม มันไม่มีตัวจะตายอะค่ะแต่ว่าสาธถูก ต, ต้องหมดเลยแต่บางทีบางทีมันหายหมดอะเจ้าค่ะก็หายหคือเราอะาไปรู้ว่ามันหายแต่มันต้องรู้เราว่าเราอะไปรู้ว่ามันหายใช่เจ้าค่ะเออเห็นไหมพอเราพูดบอกว่าเฮ้ยมันหายไปมันรู้เราเลยว่าเราพูดอย่างนี้แสดงว่าเรารู้มันนั่นอะแต่จริงๆริงะมันรู้เราเจ้าค่ะโหยยมฉลาดมากยมแต่ว่าตอนที่ตอนที่เรารู้มันเดี๋ยวก่อนตอนที่เรารู้ว่าหาย เออเรารู้ใช่ไหมแต่มันก็รู้เราว่าเราพูดถูกปะ่ะเอาลองพูดใหม่ที่บอกว่าแต่มันหายตอนตอนที่มันรู้เราว่าเราพูดเนี่ยค่ะใช่ใทีใตอนนั้นโยมอาจจะลืมไปแล้วว่ามีอันนี้อาจจะไปเป็นบ้างคะอาจจะเป็นว่าเราเราคิดเอ๊ะมันหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเจ้าเอออันนี้เรารู้หมดแหละมัน <laughs> เริ่มเริ่ ม, ม, มสับสนอะไรเจ้าค่ะใช่คือเราอ่ะเป็นไปมองมันไงตอนเนี้ยพอเราไปมองมันเราไม่เห็นมัน แต่มันน่ะเห็นเราหมดว่าเรา่ไปมองมันเรา่ไปหามันลองทําดูดิอลองพฤติกรรมไปมองมันและพฤติกรรมไปหามันเนี่ยโอมันรู้เราหมดเลยอะ่ะใช่แล้วมันรู้ว่าเราเราหาอยู่อืมถูกต้องโอโยมเนี่ยยมมาจากไหนยังไงทำไมยมเข้าใจง่ายมากเลยนี่เราคุยกันเป็นเดือนแล้วเนี่ยหลายคนยังงงอยู่แต่โยมมาแป๊บเดียวเนี่ยแล้วโยมโยได้รู้ใน<ย>สิ่ง<ย>ที่<ย>ไม่เคยรู้มาก่อนอื<ย>ทีนี้เอาหลวงพ่อให้เป็นอย่างนี้ อ่าบอกหมายคว่าโยมได้ต้นทางแล้วรู้จักวิธีพ้นทุก์แล้ววิธีพ้นทุกขคือถ้ารู้เราพ้นทุกเพราะไอ้ตัวที่รู้มันไม่มีทุกแต่ตัวเราเป็นทุกขเพียงที่จะรู้เราบ่อยๆโยมจะเริ่มต้นจากแบบฝึกหัดวันนี้ลองมาหัดทําใหม่แล้วก็มันจะชัดขึ้นว่าอ๋อมันรู้เราเรื่อยๆ เ, เราดูรูปเราดูรูปอยู่แต่มันก็รู้ว่าเราดูรูปไอเราไม่ดูรูปมันก็รู้ว่าเราไม่ดูแล้วเนี่ยโยมจะฝึกตรงนี้ให้มันชํานานนัฝึกซ้อมตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นก่อน แล้วต่อไปเนี่ยมันจะรู้เราหมดเลยเราจะเดินเราจะนั่งเราจะไปไหนมาไหนเนี่ยมันเห็นเราหมดเลยเราจะพูดเราจะโกรธเราจะยังไงมันรู้เราหมดเลยแต่มันไม่เคยพูดมันไม่เคยโกรธเลยแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนะมันได้แต่เห็นเราอย่างเดียวแต่ด้วยปัญญาเนี่ยตรงนี้เราจะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาว่าอะไรคือทุกอะไรคือไม่ทุกตัวเราคือขันห้าตัวเราคือตัวทุกต้องแต่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากน่นพรากนี่แต่ไอ ไอ้ตัวที่มันรู้เราอะ่ะมันไม่มีลักษณะเหมือนที่เรามีเพราะมันเป็นธรรมชาติที่หลุดพ้นไปจากทุกหลุดพ้นไปจากตัวเราเนี่ยถ้าเข้าใจสองสิ่งเนี้ยต่อไปเนี่ยโยมจะมีดวงตาเพราะว่าชัดเจนแล้วการปฏิบัติทำสู่ความพ้นทุกข์คือรู้ตัวรู้ตัวให้รู้อย่างที่โยมรู้แบบเนี้ยยิ่งใครยิ่งห้ามบอกอย่ารู้อย่ารู้มันก็ยิ่งรู้แล้วก็จะรู้จักไอ้ตัวรู้ตัวนั้นแหละว่าโอ้มันมันรู้เราหมดเลยเนี่ยจะเข้าใจ เข้าใจเรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์ได้ด้วยอริยาศาสตร์นะั่นแหละเพราะฉนะนั้นถึ ง, ถงก็ก็บอกว่าเหมือนกับว่าเนี่ยถึงเข้าใจอย่างนี้นะแต่ขันห้าเนาะไอ้ตัวเราที่เรียกว่าตัวเรานะมันยังมีอาการเหมือนเดิมคออือยังหิวยังร้อนเนี่ยก็บรรเทาแก้ไขไปแต่รู้แล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยเมื่อเกิดมันแล้วมันจะต้องประสบกับสิ่งพวกนี้ยประสบกับอะไรครับดินคว้าอากาศใช่ไหมประสบกับสิ่งแวดล้อมประสบกับความรู้สึกนึกคิดยังอาจจะยังโศกเศร้าเสียใจได้อยู่ แต่ก็มันก็เป็นขันธ์หน้านั่นเองโอ้นะโยมไปต่อยอดเอานะอืมแต่แต่อะไรนะค่ะแต่เวลาเรามีโกรธมีอารมณ์หงุดหงิดเราเนี้ยค่ะมีสุขทุกข์อะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมเออไอตัวรู้แจก็ค่ะไอตัวรู้แจ้งไอตัวรู้เราเดี๋ยเดี๋ยวมันจะเห็นหมดเลยมันจะเห็นมันจะเห็นพอจะเห็นเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนกับว่า ไอตัวไอตัวโกรธตัวอะไรเป็นสิ่งถูกรู้หมดแล้วก็สุดท้ายมันก็มันหายไปเพราะมันรู้ว่าไอตัวเราเนี่ยคือขันห้างไงมันไม่ได้ยึดคือมันไม่ได้ยึด<ช>อารมณ์ไม่ได้ยึดอะไรมันก็ร่วงปล่อยเลยไม่มีผู้ยึดอ่ะแ ต, แต่แต่ตอนนี้ยอมยังรู้สึกว่ามันสั้นลงเฉยๆเพราะว่าอืเพราะว่าเราเหมือนแค่รู้ว่าเออเดี๋ยวมันก็หายไปคําว่าสั้น ค, คือค อ, อะไรก า, า, า, ายากายาคําสั้นนิดนึงอย่างเช่นว่าโกรธใช่ไหมคะนั่ใช่ไหมเจ้าคะ มันก็ยังมีมันเหมือนเวลามันมีอะไรเหตุการณ์มันก็จะกระตุกนิดหนึ่งแล้วมันก็ไม่เป็นไรมันเป็นมันเป็นขันห้ามันเป็นสังขารหมดแหละอันอันสิ่งนี้คือมันก็จะมีอยู่กับเราตลอดไปใช่ไหมเจ้าค่ะไม่มันดับมันเกิดดับสิ่งที่เกิดในจิตอ่าดับหมดเกิดดับเกิดดับแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีเกิดใหม่ถ้าถ้ามีเหตุอ๋อมันคือชีวิตไงมันคือชีวิตมันคือชีวิตของผู้ที่เกิดมันขัดโหยอมดูสิถ้าเกิดชีวิตไม่มีพวกนี้แล้วมันจะอยู่ได้ยังไงอ่ะ มันคือขันง่าไงชีวิตคือขันหน้าเนาะประกอบกันเพราะฉะนั้นอาการต่างๆเนี่ยก็คือประเภทอยู่ในขันหน้าหมดเลยทีนี้ถ้าขาดขันขันเดียวมันไม่ครบห้าขันเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกมันจะต้องแตกสลายไปใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นมีความทั้งห้าเลยใช่ไหมเจ้าคะมันต้องครบห้าสิลองเหลือขันเดียวถูกไหมเหลือแต่รูปเนาะวิญญาณไม่มีเนาะแล้วมันเป็นชีวิตได้ไงอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมีวิญญาณมันก็ต้องมีความรู้สึกนึกคิดมีอารมณ์ต่างๆมันก็คือชีวิตทีนี้เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเข้าใจผิดนึกวว่่าาถ้้ปฏิิบัตแลเนีย มันจะเรียบเป็นหน้ากรองคือไม่มีอะไรเกิดเลยเอ้าแล้วมันมันคืออะไรหล่ะอย่างนั้นมันเข้าใจผิดก็คือถ้ามีขันหน้านะมันยังมีปัจจัยให้ให้ปรุงแต่งมันก็ต้องเกิดัเออมันต้องเกิดแต่ว่าด้วยสติปัญญาเนี่ยมันเกิดแล้วก็เห็นเร็วรู้เร็วแล้วก็ทําให้ไม่ไม่เผาไหม้ไงมันรู้เร็วก็ดับเร็วใช่ไหมมันเห็นนะัแต่ถ้าคนไม่ปฏิบัติทำขันหน้าทางานแต่ไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่เคยรู้มันก็ยิ่งหลงพอยิ่งหลงเสร็จมันก็เกิดอาการนู่นอาการนี้จนเผาไหม้จนเป็นทุกข์ไป แต่ถ้าเราฝึกสติเนี่ย<อ>เรื่องรู้ตัวนี่แหละโยมคือเป็นทางสายเดียวเป็นทางสายเอกแล้วก็มันก็จะเกิดการรู้เห็นตัวเองขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นเช่นเวลาพูดดีมันก็รู้พูดชั่วมันก็รู้แล้วตัวสติที่เราฝึกไว้เนี่ยมันจะเป็นตัวกำกับควบคุมเพื่อไม่ให้พูดผิดทำผิดคือมันจะเพราะว่าสตินี่เป็นทำฝ่ายกุศลใช่ไหมมันเป็นทั้งตัวส่งเสริมให้ทำกับตัวมเมลับมันเป็นตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะต้องฝึกสติคือรู้ตัวบ่อยๆเนี่ยจะพูดจะคิดจะถามเนี่ยต้อง รู้ตัวเห็นตัวแล้วก็เมื่อเห็นบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดเข้าใจเรื่องไอ้ตัวรู้เรานั่นแหละบางทีรู้เราไม่ได้ต้องมีการยนานิมิตช่วยหน่อยสักิจหน่อยแล้วก็พัวเลยพอรู้เราปั๊บพัวพวพั ว, พวก็ตัวเราก็ล่วงไปเพราะว่าทำไมมันล่วงเพราะว่ามันมันพลิกเนี่ยจากตัวเราก็เป็นสังขารหรือว่าพลิกจากตัวเราที่เป็นผู้เห็นกลายเป็นสิ่งถูกเห็นไปเมื่อกี้เนะี่ยโยมยืนมองมองอะไรนะมองมองรูปใช่ใชไหมรูปเจ้าค่ะอันนี้เขาเรียกว่าตอนแรกเนี่ยโยมเป็นผู้มอง แต่พอหลวงพ่อบอกว่าอย่ารู้ตัวเองนะเอา้ามันดันรู้ตัวเองกลายเป็นตัวเองถูกรู้ไปเสียแล้วกลายเป็นผู้มองเป็นสิทธถูกมองไปถูกมองโดยอะไรถูกมองด้วยไอไอตัวรู้นี่แหละไอตัวที่หลวงพ่อว่าอย่ารู้อย่ารู้นี่แหละมันก็เห็นเรา <ฮะ S 1> พอมันเห็นเราปั๊บไอตัวเราก็ไม่ต้องมองแล้วเพราะตัวเราถูกเห็นนี่ตัวเราดับไปแล้วก็เหลือแต่ขาน้าแล้วก็ขาน้าก็ดับไปคือความปรุงแต่งก็ดับไป อ๋อเดายมมาฟังบ่อยๆนะตัวนี้เพราะว่ายมมีปัญญามากที่จะเข้าใจธรรมะขั้นขั้นลึกซึ่งรู้ได้ยากเนี่ยมาคุยกันอย่างเนี้ยนะอนะแล้วก็ไปเพิ่มเติมต่อยอดนะไปฝึกซ้อมที่ที่ทําให้เกิดการเข้าใจวันเนี้ยไปฝึกซ้อมให้ชํานาญแล้วก็ยังไงก็มาคุยกันต่อวันวันอื่นเนาะเจ้าค่ะสาธุนะสาธุขอบพระคุณเจ้าค่ะโยมลาเลยนะเจ้าคะอ่าอ่าจ้าจ้า